ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปโพิยานได้นำเสนอปฏิจจส ม, มุปบาทหรือปัิจยาการหรือเรียกว่าปฏิจจส ม, มุปปนธรรมก็ตามมาโดยลำดับแต่อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าปฏิจจส ม, มุปบาทก็คือหลักอริสสีพูดง่ายๆว่า ธรรมทั้งพวงก็สรุปรวมลงในปฏิจจสมุปบาทในช่วงนี้ก็บางพูดในแนวของการส่งเคราะห์คือองค์ธรรมสำคัญๆเนี่ยก็มาสรุปรวมอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทก็มาถึงช่วงของปุขันธ์ทั้งห้าประการว่าในแง่ของความเป็นจริงถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ย ธมะทําปวงยกเว้นพระนิพพานเนะี่ก็เป็นขันห้านิพพานก็เป็นขันทวิมุติคือพ้นจากขันเราเรียกว่าวิสังขารปฏิจจสมบาทในสายเกิดกับขันห้าจึงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็สามารถจะสรุปเป็นกิเลสกรรมวิบากได้ด้วย คือสรุปเป็นภพราะวจักอยู่กอง้อแห่งสังสารวัฏได้ด้วยสาหรับช่วงนี้จะพูดถึงจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาทก็หนึ่งการปฏิบัติเพื่อเกิดการเกิดขึ้นของอวิชชาเป็นต้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ความไม่รู้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความมากิเลสประเภทต่างๆที่มีชื่อต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นติดตามมาจากความไม่รู้การปฏิบัติในลักษณะนี้ท่านถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาคือถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดคนนี้เพงสังเกตว่าเช่นรมมองว่าบาปบุญไม่มีเนี่ย พูดง่ายว่าทำดีไม่ได้ดีทำชัว่วไม่ได้ชั่วยอย่างเดียวแต่เองกนะมันจะนำเขาไปสู่ความเสื่อมอีกนานกันนานไป น, นานๆคนนี้จะไม่หวาดกลัวต่อบาปกำไม่หวาดกลัวต่อเรื่องอกุศลต่างๆหรือคนกลุม่มหนึ่งปฏิเสธความมีอยู่ของสังสารวัฏหรือว่าปฏิเสธความมีอยู่ของนรกสวรรค์หรือปฏิเสธความมีอยู่ของชาติมีชาติหน้า ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุนำไปสู่มิจฉาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ผิดเพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเรานั้นจิตเป็นตัวนำประเด็นสำคัญอยู่ที่จิตมันคิดยังไงชีวิตมันก็ดาเนินไปตามความคิดที่จิตคิดในแต่ละขณะเพรโดยปกติมนุษย์ก็จะทาตามที่จิตคิดหรือพูดตามที่จิตคิด ความวิตรวิจารคือการตึกนึกการใจซองจึงจัดว่าเป็นสังขารประการหนึ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดการพูดแล้วก็การ ท, ทําการเรียกว่าเป็นวิจีสังขารก็ที่จริงก็คือทําด้วยนั่นแหละเพราะว่าบังคับกายให้เคลื่อนไหวไปแต่ว่าตุ ก, กายจะสังขารโดยตรงเนี่ยลมหายใจเขา้า เป็นตัวปืนปืนหล่อเลี้ยงเราก็คุ้นๆกับพระพุทธธร ร, รัดที่สัตว์ยกย่องเรื่องของจิตสรุปเรื่องของจิตเอาไว้เป็นอันมากแล้วก็ความที่คุ้นมากที่สุดก็คือทําทั้งปวงมีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นใหญ่สำเร็จมาแต่ใจนะถ้าใจคิดไม่ดีแล้วการทําก็ตามการพูดก็ตามก็จะเป็นทุจริต ทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเป็นทุจิดิตแล้วผลของทุติยดิตนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปคราวนี้พึงลองสังเกตว่าความเห็นผิดประเภทที่เรียกว่านิยตามิชาทิตติคือความเห็นผิดที่ปักใจดิ่งลงไปเลยหัวปักหัวปัมไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรใครเลยมันจะนําไปสู่ปัญหาสาระัด เช่นข้อแรกที่ว่าอักิริยทิฏฐิหรือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทํามันจะก่อให้เกิดคนประเภทที่ไม่มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นเป็นอันมากและถ้ามีจิตใจที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็เห็นผิดมากยิ่งขึ้นแกอาจจะทําบาป ท, ทำอกุศลด้วยความคึกขนองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความดีที่ตนได้ทาอย่างนั้นก็ได้ เพราะอะไรเพเขาปฏิเสธการกระทำทั้งบุญทั้งบาปมันไม่ไม่มีหมดในความรู้สึกของเขาเนี่ยหรือคนกลุ่มหนึ่งถือว่าอาเหตุตุกกาทิฏฐิคือหาเหตุไม่ได้หมายความว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุแล้วในที่สุดเขาก็ปฏิเสธเหตุแล้วมันก็ต้องการผลก็ต้องการไปตามความเห็นของตัวเองก็ อ, อย่างความเห็นของคนป่าบางประเภทนะครับ ที่แกถือว่าไอสารประสตรทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเนี่ยพระเจ้ามอบหมายให้แกเขาเขาจะเอาที่ไหนเอาของใครก็ได้คือไม่ต้องเคารพสิทธิของกันและกันแล้วก็เป็นความคิดยุคดึกดดำบันอนะ่ยเรกฟังได้นะคนไม่มากแต่นั่นคือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน แต่ถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจุกต้นๆมันก็เป็นอย่างนั้นคือไม่ยอมรับนับถือสิทธิของการละไกันก็ถือว่าเป็นสบัิรบกันแล้วก็มีสิ่งสูงสุดก็แล้วแต่เขาจะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประทานมาให้เขาเพราะในความรู้สึกของเราคือถ้าเขาเอาของเราไปเนี่ยก็ถือว่ารักขโมย แต่ในความรู้สึกของเขาก็ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือเรียกอะไรก็ตามนะฮะเขาจะแลวแต่เขาจะเรียกหมายความว่าสิ่งสูงสุดที่เขาก็รับนับถือนะสร้างขึ้นมาให้แล้วก็ประทานไว้ใหเ้เขาก็เอาไปโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการผิดศีลหรือผิดกฎหมายแต่ประการใดนี่สมมติว่าจะเอาแกมาสู่กระบวนการพิจารณาตามข้ อ, ขอกฎหมายแกก็ไม่ยอมรับ แล้วจะถือว่าเจตนาลักหรือเปล่าแกก็ไม่ได้เจตนาเพราะแกถือพระเจ้าประทานให้แกมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมแล้วคนอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากเนี่ยสำคัญในด้านไม่ดีนะที่เรียกนักติกาทิฏฐิที่ปฏิเสธว่าไม่มีอันนี้เป็นอันตรายมากแล้วกระแสความคิดเหล่านี้คิดง่ายนะครคิดง่ายแล้วก็พูดกันง่าย แล็คนก็มีความโน้มเอียงไปในทางนั้นเพราะว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมีความคิดเป็นบรรทุนิยมอ ย, ยู่สูงหรือถ้าอะไรก็ตามที่เขาพิสูจน์ไม่ได้ ท, ท, ดดทั้งๆที่วุฒิภาวะเขาไม่สูงพอเนี่ยเขาแทนที่จะตาหนิตัวเองเนี่ยเขาจะปฏิเสธสิ่งนั้นและบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างขึ้นมาในหน้า e n ดูเช่นบางทีเคยอบรมเด็ก กระเด็กปฏิเสธบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นเขาไม่เชื่อคือต้องทำเขาเห็นเลยว่านรกสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวปีศาจเทวดาเทพบุตรเทพิดามีจริงแล้วก็จะเชื่อว่าเธอยืนยันตวามคิดหรือเปล่ายืนยันว่าถ้าเธอไม่เห็นเธอไม่เชื่อยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่าเธอก็ยืนดันนะว่าเธอไม่ต้องไปคิดไกลไกลหรอก ตอนแม่คลอดเธอมาในเธอเห็นหรือเปล่าเธอเชื่อหรือเปล่าว่าผู้นี้คือแม่ของเธอเห็นไห้ว่าโลกมันมีประสาทสัมผัสตั้งหกทำไมจะต้องปิดตัดสินด้วยตาอย่างเดียว่ะแล้วตา ก, ก็ตัดสินได้แต่ว่าพัฒนาตาแค่นั้นเป็นตาทิพย์จแล้วก็สามารถจะเห็นเทพบุตรเทธิดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้แล้วพัฒนาตาปัญญาภายในกันทิ่โดยจิตจะพัฒนาปัญญากันไป มันก็จะเห็นได้เวลาคนที่ก็เห็นเนี่ยมันจิตป็นอีกระดับหนึ่งพราะพุทธเจ้าท่านเห็นท่านแสดงไม่ใช่ท่านแสดงตอนที่เป็นเจ้าจ่าทิฏฐาจะทรงแสดงหลังจากศัสรูแล้วตั้งหลายเดือนนะจึงแสดงเรื่องเหล่านี้พระหานทั้งหลายที่ท่านแสดงท่านก็แสดงจากประสบการณ์ของท่านซึ่งเป็นทิพ ป, ปยาภาวะมีหูทิฏมีตาทิฏฐโดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นเป็นทิเป็นทินทปปยาภาวะ แต่จริงก็เลยความเป็ทิปไปแล้วด้วยคำไปนะเพราะว่าปราศจากอสวกิเลยเราทําให้รู้เห็นเกินวิสัยสามัญมนุษย์ที่จะรู้เห็นได้แต่คนที่ดืด้านเหล่านี้เขาจะไมย่ยอมเชื่ออะไรเลยแล้วกระแสจะมาแรงแล้วก็ไปได้ง่ายเพราะเราลองสังเกตว่าแนวความคิดแบบคอมมินิตเนี่ยคือแนวความคิดประจุนิยม เปเทีเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องชาตินี้ชาติหน้าตอนเก็กาะการไายในประเทศต่างๆก็เ ข, เขาเองนะฮะเขาฆ่าคนก็เองได้แบบตามไม่กะพริบกันเลยเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาทําบาปแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทําดีเลยทําไปนะแต่ไม่เรียกว่าบุญนะฮะเรียกว่ า, าทําดีเพราะว่าทําทําทําตามอุดมการของพรรคเขา จากความเห็นตรงนี้เรามองตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่เป็นนันมากที่มันเริ่มจากความเห็นของท่านเด่นหนึ่งไปเห็นผิดแล้วเปลี่ยนอื่นกผิดเป็นแถวไปเลยบางทีก็เรียกว่าขุดหลงฝังตัวเองเพราะแนวตัวนี้ที่พะพุทธเจ้าทรงตำหนิไปมากอชิตเกสกรรมพุเป็นขณาจารย์เจ้ารับชิก่อนพระพุทธเจ้าเจ้าบัต เป็นความคิดที่เป็นวัตถุนิยมสูงพอๆพอกับพวกปกกุฎท่กระจยอย่างไงไปเสียหมดเลยพระเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าความเห็นอย่างนี้มันเหมือนกับผ้ากำพลที่ทำาดยผมของมนุษย์มันใช่ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ากลิ่นนี่จะไม่สะอาดคือจะเหม็นสาดใช้ในฤดูฝนจะอุ้มนม้ำ ใช้มาดูร้รอนยิ่งร้อนนะใช้มนดะูหนาวยิ่งหนาวแล้วกลิ่นก็ไม่สะาความเวนในนักธิกากทิชฌิที่มีอยู่สิบเรื่องพระเจ้าทรงสแสดงแก่ชาวบ้านในบูบ้านมาฮาลาในแคลงโกศลชนบนก็เสด็จไปในสถานที่นั้นคนก็มาเฝ้ากันเพราะว่าเกติคุณของพระเจ้าระบือหรือลั่นไปล่วงหน้า เป็นการบอกกล่าวสนทนากันของคนทั้งหลายแต่เมื่อมาเข้าแล้วกิริยาการที่แสดงนั้นไม่พร้อมที่จะฟังคือบางคนก็สมบเรียบร้อยดีบางคนก็ส่งเสียงดังบางคนก็ยินเฉยๆบางคนก็ประกาศชื่อและโคดของตนบางคนก็แสดงว่าถ้าโหวหารใดเนี่ยมันต้องปรับสภาพความพร้อม แล้วเมื่อคนเหล่านั้นพร้อมที่จะฟังแล้วเนี่ยมันไปเทศไม่ได้ก็รับสั่งถามว่าตอนนี้คนเหล่านั้นนะับถือใครเป็นาศาสดาหรือชอบใจธรรมของใครนะับถือใครเป็นาศาสดาได้หรือยังกันเหล่านั้นก็บอกไปยังที่เจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกคือไม่ร่ำเกิดใครเป็นาศาสดาแต่อย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกันก็ทรงแสดงคราวนั้นแสดงสามข้อแต่ข้อสําคัญเนี่ย ก็สําคัญก็คือข้อตีเป็นนักติกาทิฏฐิคือทรงยกออกความเห็นที่มันแพร่หลายอยู่มากในสมัยนั้นสิบประการโดยทรงแสดงเห็นว่าคนพวกหนึ่งซึ่งจํานวนค่อนข้างมากเนี่ยเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคนโลกนี้ไม่มีโลกนาไม่มีสัตติตอาการการกระทําทั้งดีทั้งชั่วของคนไม่มีผล แล้วสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองและสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีเดีย๋ยวไม่ปฏิเสธหมดแล้วมันเป็นหมดนะฮะที่จริงถ้าเราถ้าเราแยกประเภทแล้วจะจะเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเรามาเทียบกับสัทธาสี่ประการที่เราคุ้นๆกันนะฮะสัทธาสีประสีประการพระบรณอาจารย์ท้าโรภวรภมไว้ว่า รามัทธาเชื่อความไม่อยู่ของกรรมวิปาสัทธาเชื่อความไม่อยู่ของผลแห่งกรรมกรมรามัสตาสัทธาเชื่อการดิสสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความแห่งขององตรนแต่ได้ยังแกว่งยังสับสนอยู่ก็ให้มีอาศัยตถาคตโพสิสัทธาคือเชื่อการสัตรู้ของพระพุทธเจา้าเพราะในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเราแยกประเภทแล้วจะชัดเจน การให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลต่างการทำดูดทําดีทําชั่วไม่มีผลนี่เป็นเรื่องของกรรมแล้วก็แม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีนั้นก็เป็นเรื่องของผลแห่งกรรมและการดีศัตด์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน ท่นที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีนั่นก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้ากระสิบข้อกระสุปแล้วก็กลายเป็นสามข้อซึ่งระหว่าง จ, จะเกาะกลุ่มเป็นกิเลสกรรมวิบากก็ได้เช่นเดียวกันเพรา ะ, ะนั้นความเห็นในลักษณะนี้ทรงสแสดงมาทั้งสิบประการเนี่ยทั้งสิบประการมีอยู่แท้แต่คนบางพวกเห็นว่าไม่มีความเห็นเขาก็เป็นนิจชาติ เขาคิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นนิสาสังกปะ ค, คือคิดผิดเขพูดว่าไม่มีคําพูดก็เป็นนิฉาวาจาคือพูดผิดแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้รู้ตามให้เชื่อถือตามว่าไม่มีความเชื่อของเขาก็เ อ, อการพูดของเขาก็เป็นเขาเรียกว่ามีวาทะเป็นปฏิปปะคือเป็นศัตรูกับพระหันทั้งหลายในโล จะประสบบาประกรรมเป็นอันมากถึงกว่นี้เึงสังเกตว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยเราสับสนในกรณีของกรรมอยู่มากอย่างในกรณีที่มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องพระสองสามรูปแต่ท่านเหล่านั้นก็ศึกเป็นไปหมดแล้วนะฮะที่จริงก็ยังเอามาเล่นกันทุกวันคือถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริง มันไม่ใช่ปรากฏ ก, การณ์ใหม่ที่มหัศจรร์มาจากนอกโลกหรืออะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้นเองแล้วก็เป็นความผิดที่เคยผิดมาแล้วในสมัยพุทธกาลแล้วก็ต่อนเนื่องกันมายามนั้ก็เรียกว่าอาจจะมีผิดอยู่ทุกส่วนของโลกไลยทราไปเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานทางวินัยของพระนั้นเป็นมาตรฐานที่สูง คือกำหนดเอาไว้ให้พระซึ่งซึ่งซึ่งลูกชาวบ้านเนี่ยแล้วเข้ามาบวชแล้วเนี่ยตอนเช้าก็อาจจะดื่มเหล้าอยู่ไปซ้ำไปตอนบ่ายมาบวชเป็นสามเณร เ, เ, เนี่ยขึ้นไปถึงสีสิบละไอศีห้าจากสีห้าก็ยังไม่มีเลยตอนเช้านี่แต่เสร็จแล้วก็กลายเป็นพระรักษาสีนสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อเป็นการควบคุมตัวเองฝึกตัวเอ ง, เองที่เก้ากโจนมาก เะมันมันก็มีบ้างแหละที่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพราะความเป็นคนของท่า น, นความเป็นลูกชาวบ้านของท่านความเป็นสามัญชนของท่านเนี่ยคือทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นที่ฝึกปลือคนวันอาบัติที่แปลว่าความต้องหรือโทษที่เกิดประการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทาตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนั้นเรียกว่าอาบัติ มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกองนะฮะก็คือเจ็ดระดับอะรกันนะ่ยโทษหนักเบาแตกต่างกันออกไปอับดุลปราชิกแปลว่าปราชัยคือภายแพย้แพ้ใครอะแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสภายในใจตัวเองไม่ได้แพ้ใครไม่ได้รบ ก, กับใครท่าฝึกืตัวท่านเองแล้วก็แพ้แพ้ก็คัดออกแพ้คัดออกนี่มีเฉพาะสี่ข้อเท่า น, นั้นเอง คือเรื่องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเราจึงถือว่าเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่าศีลกิจจาบ้านนะ่ที่จ่าบ้านรักษาทั่วไปเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าอย่าไปชู้กับเป็นชู้กับสามีพันดาคนอื่นแค่นั้นเองในอกลุ่มหนึ่งก็คือพวกบาสุบบาศิกาที่ทากสารรักษาศีลพิเศษคือศีลแปดกับศีลสิบไม่ใช่ศีลศีลแปดกับศีลบุตรถ้าก็รักษาร ะ, ะรายะสั้น อย่างศบริสุ น, สนี่ที่จริงไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะทำไปหมายความงดเว้นเรื่องมีเพศสัมพันธ์แตยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พระนี่ตลอดชีวิตที่เป็นพระเลยเนยะเพราะถ้าพลาดก็คือพลาดอะพลาดก็ท่านแพ้ตัวท่านเองท่านก็ออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าผิดระดับค่าคนระดับลักทรัพย์เนี่ยมันผิดขาดจากพระแล้วก็ต้องเก่าวสืกออ ก, กไปรับโทษข้างนอก แล้วก็อวดอุตริมนุษธรรมหลอกลวงชาวบ้านในการณีที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติเด้อนั้นอยู่จริงท่านก็นให้สึกนอกจากนั้นนี่มีวิธีแก้ไขปรับปรุงกันเรืเย่ยๆอบาตอีกชุดหนึ่งก็ได้สังขทิเศตร้าข้อแรกเนี่ยต้องลงโทษประจานความผิดตัวเองอยู่หกประสีถ้าไม่เก็บความผิดไว้นะฮะถ้าไม่ปกปิดความผิดไว้ถ้าปกปิดก็ต้องทาต่อ อา บ, บัตบางชนิดเนี่ยให้สละสิ่งของที่เป็นเหตุที่ต้องอา บ, บัตแล้วก็แสดงอา บ, บัตก็ถือว่าบริสุทธิ์เหมือนเดิมบางอย่างก็ให้ตัดทําลายสิ่งของให้ตัดนะให้ตัดให้ตัดจะให้ถูกต้องจะมันยาวเกินไปมันใหญ่เกินไปมันกว้างเกินไปก็ตัดเ <c oughs> ก็เรียกว่าแสดงอา บ, บัตก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับโโบสตกรรมคือชำระตัวเองให้บริสุทธิ์จากอา บ, บัตทุกทุกกลึงเดือน มันเป็นวิธีการฝึกคนนะ่ะและการที่กําหนดให้มีอุโบสตกรรมกําหนดในการแสดงอาบัติแสดงว่าใครยังทําไม่ได้สมบูรณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่รู้กันนะแล้วลองสังเกตว่าที่เป็นข่าวคร า, าวนั้นไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านเป็นความผิดของพระเป็นความผิดแบบวินยัยคนหมวดวินัยทาหารเป็นจรรญาของแพทย์เป็นวินัยของครูเ น, น, รรนี่ยเวินัยข้าราชการเนี่ยพ่าเรื่องกลุ่มของเขาโดยเฉพาะเนะี่ย เด็กเก็ลงโทษกันเองตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในสถานที่นั้นแต่สัคงคมไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของกรรมเวลามีพระมีข่าวคราวที่เรื่องไม่ค่อยดีอะไรที่เกี่ยวกับศีกาส่วนใหญ่จะเรื่องศีกาเนี่ยฮะอ่อนไหวกันนึกเกิด ท, ท, ทั้งนั้นทั้งนั้งใีตัวเองไม่ได้งดเว้นศีนข้อนี้นะฮะแต่จะอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้มากแล้วก็ด่าทอเขาดา่ากราดพระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้อะไรแต่ไหน แล้วก็พูดเหลงเจ้งหายไปจนถึงก็ไม่ทรงซวยซวยอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินนะแล้วก็หน่าสลดก็คือพระเป็นคนพูดเลยเราองค์นี้ชอบพูดมากโดยไม่นิกแต่ว่าบ้ามันต้องมีหลักฐานนะพูดอย่างงั้นนะไม่มีหลักฐานมันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจกฎของกรรมนะฮะตามที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ คนตั้งหลายเรามีกรรมเป็นของอตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นผ่อพันมีกรรมเปที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลพพ ต, ต, ตัง้ตงกับนั้นนี่กรรมใดใครก่อเข้าก็รับกรรมเข้าไปถ้าทําที่ว่าทำผิดต้องกตกนรกไปเรื่องอะไรเราจะขอโดยสารไปนรกด้วยมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ ข้อนี้เพ่งสังเกตรรกว่ากฎของกรรมเมื่อเรากินอาหารเนี่ยการกินอาหารเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมใครกินคนนั้นก็อิ่แล้วใครเผลอกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปคนนั้นก็ท้องไส้เสียหรือเป็นอันตรายกับชีวิตมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแต่เพราะเราไม่เข้าใจกฎของกรรมไม่เข้าใจว่านั้นไม่ใช่หน้านที่ของเราเรื่องอะไรจะขอโดยสารทำบาะเวลาท่านทําดีทําไมไม่ขอโดยสารทําบุญกันด้วย แต่พะท่านทำบาปทำไมขอโดยสารทำบาปละ่ะคือเราด่าแมวก็บาปนะด่าแมวก็ดา่าด่าลมดา่าฝนก็บาปนะเพราะมันด่าด้วยโทรศับาปนี้กำหนดด้วยปริมาณของกิเลสแต่กิเลสมันมากมันก็ถือว่าบาปมากเรื่นี้เวลาเกิดเรื่องในลักษณะนี้จะต้องดา่าแล้วก็ด่าแปลกนะขึ้นด่าพระหมดเลย พระเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้อ ย, งงอย่างนั้นย่างนี้ประชุมมาปีปลายสัมมนาก็เป็นการใหญ่แล้วก็ไม่ดูตัวเองตัวเองศี่ห้าข้อนี่ยังรักษาไม่ค่อยได้นั่นคือไม่รับผิดชอบในกรรมของตัวเองแล้วก็ยังอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นมาชั่งกรรมเพื่อตัวเองด้วยและกการของศาสนาไม่มีการสอนให้ชาวพุทธเนี่ยอาศัยการดําชั่วของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือดาชั่วของตัวเองให้ อาศัยความชั่วของบุคคลอื่นมาหยุดทําความดีของตัวเองแต่ถ้าเขาทําความชั่วเราว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะโดยเมตตานะฮะไม่ใช่โดยความเครียดแค้นจริงสั่งอะไรอันนี้ด่าว่าไปถึงรูปร่างหน้าตาและไรต่อไ ป, ไปกันใหญ่ไม่นึกว่านั่นคือว่าจิตทุจริตเป็นอกุศลกรรมบทตรเป็นการกระทำโดยความไม่ฉลาดมันปัญหาเหล่าเนี้ย ถ้าคนนี้เขาปฏิเสธกฎของกามเลยเขาทำน้าเฉยตาเฉยเลยแตวรู้สึกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีที่ได้ทําเช่นนั้นนั่นก็คืออะไรก็เริ่มจากมิจฉามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็คิดผิดแล้วก็ทําผิดแล้วก็พูดผิดออกไปได้เรื่อยๆต้องฟังทงั้งหลายแต่หลงพ่อโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี